ด้วยการกำหนดเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆในกามทั้งปวงนี้จนเป็นนิสัยในที่สุดจิตก็ตรึกนึกถึงกามฐานะของสิ่งยั่วหน้าพึงใจเพราะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกชัดว่าไม่เที่ยงนั่นเอง าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีจะเห็นความหนักเบาที่แปรตัวไปอย่างแจ่มชัดแต่หากปกติจิตฟุ้งก็จะสังเกตไม่ถนัดรู้แต่ว่ามีจังหวะของความดึงดูดแรงและความดึงดูดอ่อนไม่สม่ำเสมอจริงๆซึ่งนั่นก็น่าพอใจและก็ใช้ได้ระดับหนึ่งเนื่องจากในขั้นต้นพระพุทธองค์เพียงให้เปรียบเทียบระหว่างมีกับไม่มีเท่านั้น ไม่จำเป็นด้วยซ้ำจะต้องรู้ว่าการฉันทะหนึ่งหนึ่งผ่านอายตนะใดเข้ามาอยู่ในจิตของเราด้วยการกําหนดเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอๆในกามทั้งปวงนี้จนเป็นนิสัยในที่สุดจิตก็จะเลิกตรึกถึงกามในฐานะสิ่งยวนสิ่งยุยยวนพึงใจเพราะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกชัดว่าไม่เที่ยงนั่นเองคนบวชในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า จะได้รับสิ่งชดเชยการกิเลสกันทุ่นหน้ากร่าวคือพิธีบวชนั้นพระอุปชาต้องบอกกรรมฐานหให้แก่นาคเสมอหากไม่บอกกรรมฐานห้าก็ถือว่าละเมิดพระวิ น, นัยต้องอาบัติฉะนั้นกรรมฐานแรกอันเป็นข้อบังคับของพระพุทธเจ้าก็คือกรรมฐานห้านี้เองต้องให้กันกลางงานบวชเลยทีเดียว สอนก่อนและจึงคล้องผ้าอังสัเรียกว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าบวชแล้วต้องปฏิบัติกรรมฐานก็จะยังไม่ให้ผ้าของพระมาสมใส่กติกาอย่างนี้กรรมฐานห้าคือการให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังตามลำดับและย้อนลำดับคือห น, นังฟันเล็บขนผมและ ไม่ใช่สักแต่ให้ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ต้องเอาจิตไปจอ่อรู้อยู่กับฐานะที่ตั้งแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนั้นด้วยการค่อยๆไล่นึกทีละลำดับไม่ใช่เรื่องยากเย็นและไม่จำเป็นต้องอาศัยสมาธิชั้นดีหนุนหลังเบื้องต้นของการฝึกให้รู้อิริยบทปัจจุบันก่อน เหมือนถามตัวเองว่ากำลังเดินยืนนั่งหรือนอนการรู้อิริยาบถในวาระเริ่มจะทำให้สติจ่ออยู่กับกายทั้งหมดเองจะชัดหรือว่าเลือนก็ขึ้นอยู่กับกำลังสติในปัตนั้นเมื่อแน่ใจว่าเริ่มกำหนดสติด้วยความรู้อิริยาบถแล้วให้นึกถึงส่วนบนสุดของกายอันได้แก่หนังศีรษะที่ปกคลุมด้วยกลุ่มผม คิดตามจริงว่าหนังศีรษะนั้นมีมันค้นและความเหน้นหลังออกมาตลอดเวลาคนเราจรึงต้องสระผมทุกวันเมื่อเกิดความรู้สึกว่ากลุ่มผมเป็นของสกปรกด้วยจิตที่ยอมรับตามจริงตั้งนิ่งอยู่ค่อยเลื่อนการพิจารณาไปสู่ชิ้นส่วนของกายอันดับถัดไปหากยังมือยังฟุง้ง หรือยังไม่สำเนียกรู้สึกชาติถึงความมีอยู่ของผมที่คลุมหนังหัวสกปรกก็ให้จ่อจนกว่าจะเข้าล็อกคนที่มีอยู่ทั่วร่างกายนั้นให้คิดถึงขนส่วนไหนก็ได้เช่นขนคิ้วขนจมูกขนรักแร้ขนตามแขนขาสำคัญคือให้รู้ตำแหน่งกาย อันเป็นที่ตั้งของขนนั้นเมื่อรู้ชัดก็ไล่ต่อไปที่เล็บมือเล็บเท้าซึ่งมีตำแหน่งบนนิ้วมือนิ้วเท้าต่างๆโดยความปรากฏของแผ่นเล็บจะเป็นเดียวหรือว่าหลายเล็บพร้อมกันก็สุดแล้วแต่เมื่อรู้ชัดก็ไล่ต่อไปที่ฟันทั้งฝางซึ่งเพียงขบแตะเล็กน้อยก็ทราบหลักแหล่ง แห่งความปรากฏของฟันได้เมื่อรู้ชัดก็ไล่ต่อไปถึงผิวหนังขอให้เลือกส่วนที่กำลังแนบให้เกิดสัมผัสยุ่นอยู่จะกำหนดรู้ง่ายกว่าส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องหากกำลังสติยังอ่อนกำหนดดูโดยอาศัยอุรยบทเป็นตัวตั้งได้สำเร็จสำหรับ นาทีแรกของการเริ่มต้นก็อาจจะใช้เครื่องช่วยแบ่งจังหวะให้เกิดความชัดเจนคือกำหนดว่าจะรู้ลมหายใจ5ชุดดังนี้ 1. หายใจออกรู้ผมหายใจเข้ารู้ผม 2. หายใจออกรู้ขนหายใจเข้ารู้ขน 3. หายใจออกรู้เล็บหายใจเข้ารู้เล็บสีห่หายใจออกรู้ฝันหายใจเข้ารู้ฝัน 5. ห้าหายใจออกรู้หนังหายใจเข้ารู้หนังจากนั้นกำหนดลมหายใจอีกห้าชุดเป็นตัวย้อนสอน หายใจออกรู้หนังหายใจเข้ารู้หนังสองหายใจออกรู้ฟันหายใจเข้ารู้ฟันสามหายใจออกรู้เล็บหายใจเข้ารู้เล็บสี่หายใจออกรู้ขนหายใจเข้ารู้ขนห้าหายใจออกรู้ผมหายใจเข้ารู้ผม การทำความรู้นั้นต้องรู้เข้าไปที่ตำแหน่งที่อยู่ของอวัยวะส่วนนั้นๆจริงๆโดยไม่ลืมว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าเมื่อทำในช่วงแรกก็จะเหมือนกับฝืนคิดอยู่บ้าง แต่พอทำสักสองสามรอบจะรู้สึกถึงตำแหน่งที่ตั้งของผมขนเล็บฟันหนังชนิดที่จิตทราบว่าแต่ละส่วนตั้งอยู่ต่ำหรือสูงกว่ากันแค่ไหนย้ายจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งจะต้องกำหนดจิตอย่างไรคือจิตเป็นอัตโนมัติคล้ายก้าวขึ้นลงบันไดที่มีความลดหลัน่นตายตัว ผนที่เกิดขึ้นเมื่อไล่ลงไล่ขึ้นถึงจุดหนึ่งก็คือจิตที่หยุดนิ่งจะเป็นอาการหยุดเองนิ่งเองโดยปราศจากเจตนาเหมือนลืมตาขึ้นดูภายในไม่ต้องไล่เลียงก็เหมือนเห็นทั่วทีเดียวด้วยจิตตั้งมั่นสงคุณภาพทั้งเส้นผมเป็นกลุ่มเหมือนหญ้ารกทั้งเส้นขนเหมือนหนามแทงออกมาจากเนื้อ ทั้งเล็บเป็นแผ่นเหมือนเกล็ดปลาทั้งฟันเป็นซี่ๆเหมือนจอบหรือหินงอกหินย้อยทั้งหนังที่ห่อหุ้มโดยรอบมิดชิดแต่เหมือนอุดมด้วยรูรั่วปล่อยขยะชนิดแฉะให้ซึมออกมาทั่วเมื่อเห็นผมขนเล็บฟันหนังชัดเจนออกมาจากจิตจะเหมือนถอดม่านบังตาชิ้นใหญ่ทิ้ง ความจริงเกี่ยวกับกายทั้งหมดจะเปิดเผยตามมาอีกแทบยกขบวนเช่นกายนี้มีของเสียไหลเข้าออกทั้งกลางวันกลางคืนที่ผ่านมาเราเลือกรู้เฉพาะตอนไหลเข้าแต่ตอนไหลออกไม่รับรู้เอาเสียเลยถึงเวลาถ่ายของเสียขึ้นมาก็เหมือนมีอะไรบดบังจิตใจไว้คราวนี้ผมขนเล็บฟันหนัง ถูกรู้ชัดจิตปักอยู่กับกายตามเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายทั้งหมดย่อมถูกเห็นอย่างประศจากสิ่งเคลือบคลุมสิ้นการป้องกันการสันทะที่ดีที่สุดได้ผลจริงกว่าอุบายอย่างอื่นใดหมดก็คือทำจิตรวมลงเป็นหนึ่งด้วยการเห็นกายตัวเองเป็นสิ่งที่โศกโกรกและกรรมฐานห้า ก็เป็นอุบายง่ายที่ใครก็ทําได้เห็นผลเร็วและยิ่งทําบ่อยเท่าไรก็ยิ่งเป็นพวงคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นถ้ากแต่เพียงรู้ผมขนเล็บฟันหนังเปล่าๆก็อาจไม่เกิดประโยชน์เป็นเพียงทําจิตสงบเฉยๆอยู่เมื่อเริ่มนิ่งแล้วก็ต้องกําหนดโดยความเป็นของสุขปรกของที่เรารู้ตามจริงแล้วว่า แต่ละส่วนต้องชำระล้างแต่ละส่วนที่มีคราบใครไหลออกมาเปลอะเปื้อนเรื่อยๆสภาวะจิตที่นิ่งและสว่างจะทำให้ง่ายต่อการเห็นอยู่แล้วขอเพียงน้อมระลึกเท่านั้น อุบายกำจัดความพยาบาทความแตกต่างระหว่างโกรธกับพยาบาทความโกรธนั้นคือตัวโกธะซึ่งอาจหมายถึงความขุนเคืองที่เกิดจากผัสสะกระทบใดๆอาการทางจิตโดยทั่วไปก็เหมือนไฟไม้ฟางคือวูบหนึ่งหรือระยะหนึ่งแล้วดับหายไป ส่วนความพยาบาทนั้นหมายเอาความแค้นใจความเจ็บใจความคิดมุ่งร้ายซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตาโดยตรงพฤติของจิตจะเป็นไปในทางผูกใจคิดแก้แค้นเอาคืนหรือแม้ไม่ถึงขั้นลงมือเอาคืนก็มีอาการขัดเคลืองขนค่องค้างตึงอยู่อย่างนั้นสรุปคือไม่วาง หรือไม่ให้อภัยจะเห็นว่าตัวความโกรธอาจพัฒนาถึงความพยาบาทหรืออาจจะหายไปเฉยๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความคิดที่ตามหลังความโกรธมาเมื่อเข้าใจตรงนี้ก็ย่อมทราบโดยปริยายว่าตัวพยาบาทนั้นดูยากกว่าจะทําให้หายไปยากกว่าตัวโกรธ เราอาจจะดูขณะที่จิตมีความพยาบามเปรียบเทียบกับขณะจิตที่มีความไม่พยาบาทได้แต่ยากที่จะทําให้ตัวคิดพยาบาทดับสูญจางสนิทรับใดที่ใจลึกๆยังผูกเจ็บอยู่จึงจําเป็นต้องมีคู่ปรับที่สําคัญกับความพยาบาทมารับมือกันนั่นคือกระแสเมตตา และถ้าทำได้ระดับเมตตาเจโตวิมุตต์คือให้หลุดพ้นจากการสแสวงความโกรธ ด, ด้วยทะเลเมตตาอันกว้างอันมีแสงสว่างไพสารประมาณไม่ได้ก็เป็นการประกันผลว่าจะไม่จมลงสู่ห้วงแห่งความหลงอาฆาตอันมืดมนอย่างเด็ดขาด ทำพยาบาทโดยความเป็นอนิจจังหากอยู่ปกติโดยไม่มีเรื่องกับใครลักษณะจิตจะสบายอยู่แต่เมื่อไรที่เกิดเรื่องและเราไม่สามารถเลิกคิดถึงคนคนนั้นจิตจะมีอาการเหมือนสัตว์ถูกผูกไว้กับที่ให้อึดอัดให้สังเกตลักษณะอึดอัดเกิดจากความผูกติดนั้นเมื่อความอึดอัดถูกรู้โดยไม่คิดต่อ ก็จะค่อยๆแสดงอาการคลายเมื่อเห็นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผูกยึดกับคลายออกด้วยปัญญายอมเห็นทั้งความไม่เที่ยงของลักษณะผูกยึดพร้อมตระหนักความจริงว่าจิตจะคลายออกจากการถูกผูกมีความเป็นอิสระนั้นดีกว่าจิตที่ถูกผูกมากนะักความพยาบาม อาจหายไปได้ด้วยการเห็นเป็นสิบเป็นร้อยรอบด้วยปัญญาชนิดนี้หากมีความขนัดเห็นทางกายก็อาจกำหนดส่วนของกายที่แสดงปฏิกิริยาร้อนปฏิกิริยาเดือดร้อนเพราะความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตอาจเป็นโพรงในกะโหลกที่หลังของเป็นพิษออกมาอาจเป็นใบหน้าที่รู้สึกว่าหมองคล้ำ อาจเป็นความแน่นในช่องอกอาการเหล่านั้นของกายล้นเป็นโทษเหมือนแอ่งน้ำพิษจิตเรากลับขาดสติ ก, กากับเหมือนหลงเห็นน้ำเน่าเป็นน้าใสยอมตัวลงไปแช่ลงไปจมจอมอยู่อย่างนั้นทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นมาเลยลองเห็นให้ได้ถึงอาการทางกายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยาบาม เห็นโดยไม่ต้องติดต่อเห็นโดยไม่ต้องคิดต่อจะพบว่าระดับความเข้มจะลดลงในเวลาอันสั้นพอเห็นอนิจจังของอาการทางกายบ่อยเข้ากระทั่งรู้แน่ว่ามีความเป็นอย่างหนึ่งแล้วต้องแปลเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตเริ่มฉลาดแล้วก็ไม่คิดเสียเวลาแม้วินาทีเดียวลงไปแช่จมอยู่กับอาการอันเป็นโทษ การแผ่เมตตาเราอาจแผ่เมตตาเพื่อระ ง, งับความโกรธตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นพยาบาทหรืออาจแผ่เมตตาเพื่อทําความพยาบาทที่ครอบงาจิตอยู่แล้วให้สูญไปได้ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่การทําเชื้อแห่งความโกรธให้ดับลงสนิทเพราะการดับเชื้อให้สนิทเป็นงานวิปัสสนา เราแผ่เมตตาเป็นงานสมถะเพื่อทำจิตให้มีคุณภาพพร้อมต่อยอดเป็นวิปัสสนาในภายหลังเมื่อแผ่เมตตาเป็นจะเกิดกระแสจิตอีกแบบหนึ่งที่ทำให้รู้ว่ากรรมฐานข้อนี้ต่างกับข้ออื่น คือถึงจุดหนึ่งแล้วจิตฉายรัศมีเมตตาออกมาเองโดยไม่ต้องกำหนดเนื่องจากเมตตาเป็นธรรมชาติของจิตที่เปร่งประกายได้โดยปราศจากเจตจำนงบังคับตรงนั้นจะเห็นอานิสงส์ของการแผ่เมตตาตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเมตตาสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบหกโดกราสูตรทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตไมุตุอันบุคคลเสพแล้ว จเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วประรกด้วยดีแล้วพึงหวังอาในสมสิบเอ็ดประการคือย่อมหลับเป็นสุขย่อมตื่นเป็นสุขย่อมไม่ฝันลามกย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาไฟยาพิษหรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกลายได้จิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็วสีหน้า ย, ย่อมผ่องใสเป็นผู้ไม่ตายด้วยอาการหลงเมื่อยังไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก สำหรับงานภาวนาในสติปัฏฐานสี่คงหวังผลเด่นประการหนึ่งจากบรรดาอนิสง์ทั้งส1อข้อข้างต้นนี้นั่นคือจิตตั้งมั่นโดยรวดเร็วอนิสง์ดังกล่าวเราย่อมอนุมานได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เสียก่อนใช้เหตุผลตามจริงว่าเมื่อจิตสงบอ่อนโยนมีความสุขปราศจากการคุมแค้นอาฆาตไม่คิดจองเวรใคร ก็ยอมประศจากคลื่นความฟุ้งในหัวและพร้อมพอจะเข้าสู่ความตั้งมั่นในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งที่ต้องการได้ง่ายๆแน่นอนการเจริญเนตตานั้นแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆตามวิธีดำเนินจิตแบบแรกคือใช้จิตที่ยังคิดนึกส่งความปรารถนาดีปรารถนาดีให้บุคคลสัตว์หรือสิ่งของอนันเป็นเป้าหมายที่มีความสุข แบ่ที่สองกำหนดจิตอันตั้งมั่นแล้วแผ่กระแสเมตตาออกตามรัศมีจิตเริ่มต้นอาจจะเพียงระยะสั้นเพียงสองสามเมตรต่อมาเมื่อล็อกไว้ได้นานอาศัยกำลังอัดคงตัวนั้นยึดขยายระยะหรือตั้งขอบเขตออกไปไกลๆกระทั่งถึงความไม่มีประมาณทิปเดียวบ้างหลายทิศพร้อมกันบ้าง ตลอดจนครอบโลกโดยปราศจากทิศขั้นแบ่งบ้างเป็นผลพิษดาลในภายในอันรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อสามารถทำสำเร็จเมื่อทราบว่าการเจริญเมตตาภาวนาแบ่งออกเป็นสองวิถีทางอย่างนี้<ม>ก็พึงทราบว่าการเจริญเมตตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใคร มีปัจจัยใดๆนุนหลังหรือถ่วงรั้งเอาไว้แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสมควรฝึกสมควรทำให้เกิดขึ้นในตนเพื่อขจัดวัชพืชออกจากพื้นที่เพราะพันมักผลในจิตของเรา การเจริญเมตตาโดยอาศัยจิตสามัญคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการอดกลั้นข่มโทสะไว้ไม่แสดงออกเป็นท่าทีอย่างหนึ่งของคนดีและวันหนึ่งอาจจะโวยวายว่าไม่ขอเป็นคนอีกแล้วเก็บกดมานานแล้ววันนี้จะระเบิดบ้างละ่ะนั่นสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการอดกลั้น ยังไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีพอเพราะในการอดกร้านยังมีโทสะและการผูกใจเจ็บเจืออยู่แต่การมีใจจริงให้อภยัยหรือเรียกว่าอภัยทานต่างหากนั่นเป็นคุณธรรมแท้จริงของคนดีและที่จะคิดอภัยอย่างไร้ขีดจากัดก็ต้องเป็นผู้มีเมตตาผิดมนุษย์มนาพอสมควร นี่ก็เป็นข้อที่ว่าด้วยการสร้างเมตตาโดยเริ่มพื้นของความเป็นคนธรรมดาคือใช้ระดับจิตที่ยังนึกคิดอยู่ก่อนอื่นต้องสารวจด้วยความตระหนักแบบไม่เข้าข้างตนเองว่าเป็นคนมักโกรธเป็นฟืนเป็นไฟง่ายกับผูกโกรธไว้เผาเราเผาเขาได้นานหรือเปล่า หากรู้ตามเป็นจริงว่าบุคคลเคราะห์ร้ายคือจัดอยู่ในพวกโกรธง่ายหายช้าก็ให้ทราบว่าอย่างนั้นเป็นคนเมตตาอ่อนมีทุนน้อยจะเอามาใช้ชื่อเริญมเมตตาเป็นภาวนาทันทีทันใดนั้นก็คงจะยากได้รับคำแนะนำให้ภาวนาสัพเพสัตตาอเวลาหนนตุขอสัตว์โลกทั้งหลาย อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยภมาราอยู่เกือบสิบปียังหน้าตาเข้มเกรียมอยู่เหมือนเดิมทั้งนี้เพราะว่าตั้งความเข้าใจไว้ผิดพลาดว่าแค่ท่องบนไปก็คือการเจริญเมตตาแล้วหรือหนักกว่านั้นคือนับเป็นการภาวนาแผ่เมตตาแล้วขอให้เข้าใจว่าการเจริญเมตตานั้น เป็นอาการของจิตที่ส่งความปรารถนาดีความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยใจจริงแม้แต่คนดุร้ายที่สุดก็อาจจะมีเมตตาให้กับคนในครอบครัวหรือมิสหายที่รักกันการท่องบนสาธยายมนนั้นไม่ต่างกับนกแก้วนกขุนทองที่พูดได้คำสองคำแต่หากมีความเข้าใจหรือรับรู้ในภาษาที่ตนพูดไม่ ในมหาสีหนาฏสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกะชีเปลยชื่อกสปะว่าแม่ตาจิตนั้นคือจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งหมายถึงการคิดการพูดและการทําอะไรที่ไม่มีเวรกับใครไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนดังนั้นการสร้างทุนคือแม่ตาจิตนั้น ก็ต้องอาศัยการหมันสำรวจอย่างเข้ม ง, งวดว่าชีวิตเราล่วงไปวันต่อวันขณะต่อขณะอยู่อย่างนี้ด้วยอาการผูกเวรด้วยอาการเบียดเบียนใครหรือไม่ถ้าสำรวจตามจริงพบในขณะแห่งการคิดการพูดหรือการทําว่าเราเอาแล้วก่อเวรแล้วเบียดเบียนใครเข้าแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนท่าทีให้เป็นตรงข้าม คือไม่แม้คิดก่อเวรไม่แม้คิดเบียดเบียนใครใรด้วยประการใดๆเลยพูด ง, ง่ายๆคือถ้าถามตัวเองว่าตอนนี้คิดไม่ดีกับใครหรือเปล่ารู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตรงข้ามเสียด้วยความระลึกว่าการคิดไม่ดีย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาจิตระลึกไว้เพียงเท่านี้ก็จะเป็นบาตรฐานอันมั่นคงไว้รองรับเมตตาจิต อันจะมาถึงเองในข้างหน้าแล้วแรกๆเมื่อทำให้เมตตาจิตเกิดขึ้นในเรานั้นจะเป็นเรื่องของการฝืนใจอาจจะไม่เห็นผลเป็นความสุขความเย็นทันใดบางทีถึงกับตต้องสู้กับความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบนี้ก็เห็นว่ายากหรือว่าเลือบากว่าแรงนักก็อาจจะเอาแค่ถือศีลห้าให้ครบบให้จิตใจสะอาด มันเรียกว่าสร้างเนตาจิตอยู่ไกลไกลแล้วเพราะเมื่อตีกรอบไว้กำหนดเจตนาไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเขาเมียใครไม่มุสาไม่เสจสุราก็คือระงับเหตุเวรและการเวียดเวียนทั้งปวงนั่นเองสำรวจใจที่สะอาดได้รู้วคือศีลพอเห็นผลตามจริงก็จะเกิดสมนัตขึ้นมา หลังจากเจริญเมตตาจิต ด, ด้วยการคิดการพูดการทำเป็นร้อยครั้งพันหนกระทั่งรู้สึกถึงกระแสฝ่ายดีกระแสใจชุ่มชื้นอันเกิดจากการระงับเวรทั้งปวงแล้วชนิดที่สามารถระบายยิ้มอ่อนๆอ อ, ออกมาได้เองโดยไม่ต้องฝืนพอกระแสนั้นเออขึ้นมาเมื่อใดในขณะไหนก็ตาม อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามให้ฝึกล็อกอยู่กับความรู้สึกภายในชนิดนั้นไว้คือรู้ว่าเป็นสุขเย็นและความสุขไม่เคลื่อนไม่เลื่อนไหลแปรปรวนเป็นอย่างอื่นง่ายกระทั่งชัดเต็นอยู่ในอกในใจมีความตั้งมั่นไม่ต่างกับขณะที่การจอจิตไว้ที่ลมหายใจหรือว่าอารมณ์ภาวนาอื่นๆถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ามีทุนไวต่อทุน ในระดับต่อไปได้แล้วยิ่งถ้าหากมีพื้นนิสัยอ่อนโยนมีลักษณะแห่งเมตตาอยู่ในตัวคือนอกจากจะไม่ก่อเวรแล้วก็ยังเป็นผู้ชอบสร้างสุขผูกมิตรกับคนอื่นและนอกจากจะไม่เบียดเบียนแล้วก็ยังเป็นผู้ชอบเอื้อเฟื้อเจือจานให้คนอื่นมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นก็อาจใช้นิสัยอันเป็นทุนประจําตัวนั้นได้เลยทันที คือสังเกตว่าขนาดที่จิตไม่ฟุง้งไม่คิดจิตใจสงบอยู่กับตนเองบอกตนเองว่านี่เพราะเราไม่มีเวรก็ไม่มีใครเบียดเบียนต่อให้ล็อกเอาความรู้สึกนั้นไว้ในใจเป็นองค์ภาวนาเดียวนั้น